Thank you. การทําวัดนะเราก็จะมีการทิฏฐานะนเช่นเดียวกับหลังทำวัดเย็นอธิษฐานนี่ภาษาแทนแปลว่าขอนะซึ่งต่างจากอธิษฐานในภาษาบาลีนะอธิษฐานภาษาบาลีแปลว่ามุ่งมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของไทยในแปลว่าข อ, อาขออะไรนะ ขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดอันนี้สักคาราจะเป็นพระก็ขอให้ประมาทใจของของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดท้ายทำวัดเย็นนะก็มีการขอนะในบทสวดอิมินานะซึ่งมักจะเป็นการปิดท้ายของการทําวัด ก็จะมีล้วก็สาธิยายขอหมูมารอย่าได้ช่องด้วยเด็ดบุญั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินแล้วโอกาสจะพึงมีแก่หมูมารทั้งหลายเป็นช่องปทุสราย ท, ทำลายล้างความเพียรจมอันนี้เป็นการขออาจารยสังเกตนะว่าไม่ได้ขอเหมือนคนทั่วไปนะที่เข้ามาวัด คนจะไปขอมาวัดที่เขาขอเวลามาวัดคือขอให้รวยขอให้มั่งมีสิริสุขขอให้มีโชคมีลาบหรือว่าขอให้เจริญด้วยเจตุรพิตาพรชัยอายุวนันสุขคันละทุกคนสนใจเพราะขอแบบนั้นแต่พวกเรามาวัดนี่มาทำวัดเช้าวัดเย็นเราขออีกแบบหนึง่งใ้การขอ แบบนี้เนะี่ยมันดีกว่านะดีกว่าไปขอร่ำขอรวยสมัยที่หลวงปู่ดูลนะ่ะพระมะปัญโยนยังมีชีวิตอยูนะ่ก็มีพระบวดใหม่เนะี่ยบมาได้เดือนหนึ่งก็จะสึกก่อนสึกก็มาหาหลวงปูดปงป่ดูลไปหลวงปู่ดูรงน้ำมนต์แล้วก็ให้พนรนะหลวงปู่ดูท่านก็ทำให้นะระหว่างที่ หลวงปูด่ดูพรหมน้ำมนต์เนี่ยผ้ารูปนี้ก็อธิษฐานวันนียอธิษฐานในใจนะขอให้มีโชคมหาศาลขอให้มีลามีผลพุนทวีมีกินมีใช้ไม่หมดแล้วจะแบ่งไปทําบุญบ้างอธิษฐานจบก็เงยหน้าขึ้นก็ไปสบตากับหลวงปูด่ดูหลวงปู่ท่านก็จ้องหน้าแล้วก็บอกว่า ที่ท่านอธิษฐานมันต่ําไปนะทําไมไม่อธิษฐานสูงกว่า น, นี้แล้วไอ้ที่คิดเนี่ยมันก็จะตามมาเองภาพารูปนั้นก็พึ่งไปเลยนะเพราะว่าหลวงปูดด่ดูสงเสาหลวงปู่ดูรู้ได้อย่างไรนะว่าเขาอธิษฐานว่าอะไรแล้วคนส่วนใหญ่ก็อธิษฐานอย่างภาพรูปนี้แหลนะขอนั่นขอนี้ บางทีก็ขอยาวเหยียดเลยแต่อย่างที่หลวงปู่หลวงปู่ดูบอลนะว่ามันมันต่ำไปอธิษฐานให้มันสูงกว่านี้หน่อยนะสูงกว่านี้ก็คือแทนที่จะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้รวยกออธิษฐานอย่างนี้นะขอให้การปฏิบัติทั้งหลายของเราการปฏิบัติของเราทั้งหลายนะ จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดนะหรือว่าขอให้ขอมูมาอย่าได้ช่องนะด้วยเด่นบนหนังสิป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิอันนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันช่วยป้องกันทุกได้เรียกว่าร0 0เซเลย ทำให้ชีวตนี้มันมีสุขสมบเย็นอย่างแท้จริงมีอายุวันนะสุขภาภะละก็ยังต้องเจอทุกข์ที่แรกก็ทุกข์ใจก่อนนะต่อไปความทุกข์กายก็ตามมาเพราะาอายุมันก็ไม่ยืนหรอกยังไงก็เหมือนก็ต้องตายมันไม่เที่ยงอายุวันนะสุขภพภะละพวกนี้มันไม่เที่ยงจะเรินแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อม นะตามวันเวลาตามเหตุตามาปัจจัยมั่งมีสีสุขแค่ไหนก็มีความกุ้งโง ก, กุ้งใจไม่พน้นพอต้องเจอความไม่สมเหมือนต้องเจออะไรมากระทบต่างๆนานานะแต่ถ้าเกิดว่าเราก็นะให้การปฏิบัติทั้งหลายของเราต้องเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้นะถ้า ถที่ส่วนกองทุกนี่ก็เป็นนามาจบหมดกิจที่จะทำที่เป็นกิจส่วนตัวหรือถ้าหมู่มาไม่ได้ช่องนมาเล่งานจิตใจเนี่ยมันก็ไม่มีทุกหรอกมาในที่นี้คือกิเลสสมาณแต่แล้วก็ตามเนี่ยการที่อธิฐานขอท้ายทําวัดเช้าทํามวัดเย็นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะไม่ได้ขอแล้วกระทั่งพระพุทธเจา้าเลยซ้ํเพราะว่าขอไม่ได้หรือว่าขอไงก็ไม่มีทางสมหวังได้เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครจะดลบันดาลให้ได้พระเจ้าเคยตรัสรู้เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางเป็นผู้ชี้ทางหรือถ้าเปลี่ยนอย่างเซนต์บอกว่าเป็นนิ้วชี้นะ ที่ชี้ไปอย่างดวงจันทร์นะแต่ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่บนฟ้าส่วนนิ้วชี้นั่เนี่ยมันเพียงแต่ชี้บอกทางพระเจ้า ก, ก็ทำได้เท่านี้แหละนะคือชี้ชี้บอกทางอีงชี้ไปที่พระจันทร์ส่วนที่เหลือนี่เราต้องทำเองจะถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องลงมือเอง เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราอธิษฐานว่าขอขอเนี่ยมันเป็นการตอบย้ําตัวเองนะเป็นการตอบย้ำตัวมากกว่าว่าเนี่ยเราจะเราเราจะตั้งใจที่จะทาความเพียนให้คําว่าขอให้การปฏิบัติเนี่ยมันก็แสดงว่าเราต้องปฏิบัติอยู่แล้วล่ะคือเราต้องทําความเปลี่ยนเป็นเป็นการบรรลุจุดหมาย ด้วยการปฏิบัติด้วยการทำความเพียรตอนเช้าเนี่ยก็ใช้คำ ว, า, วาขอให้การปฏิบัติทั้งของเราทั้งหลายหรือขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายหออให้พระมจรรย์ร น, นี่ก็ก็คือการปฏิบัติอันเสรินะมันไม่ไมใช่ไม่ใช่หมายถึงสภาวะเช่นนัก บ, บวชนี่ก็ถือพรหมจรรย์พรหมจรรย์ น, นี่ในความหมายที่เป็นสภาวะคือไม่ไม่แต่งงานไม่มีคู่นะ อันนี้เป็นความเข้าใจทั่วๆไปแต่พรมจันในภาษาบาลีคือมันการปฏิบัตินะพรหมวัดเซจัน์ก็คือจัญญาจริยาคือการปฏิบัติก็ความหมายเดียวกับที่โยมขอท้ายทรวัชชาขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายความหมายเดียวกันแ ต, แต่ว่า พรนะพุทธเจ้านี่จะชัดเจนก่อนะคือเป็นการปฏิบัติอันประเสริฐปฏิฐานทายธรมธรมวัตช้าธรรมวัตเย็นกเหมือนกันนะไม่ใช่ขออย่างเดียวนะแต่ว่ามีคําว่าเนี่ยขอหมู่มาอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิทป้องอยากเปิดโอกาสแก่มานเถิดเดชบุญทั้งสิทป้องเนี่ยก็คือการปฏิบัตินั่นแหละบุญนี่มันเป็นเรื่องการปฏิบัติด้วยตัวเราเอง โมมันจะไม่ได้ช่องได้ก็เพราะเราลงมือกระทําในที่นี้เช่นแค่ว่าทําบุญหรือว่าบุญกิริยาแต่พอใช้คำว่าทําบุญนี่ก็เป็นถึงการให้ทานที่จริงมันมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องการลงมือปฏิบัติเลยนี่เรียกบุญกิริยามีสิบประการเรื่การขอยันไม่ได้ขอเปล่าๆนะมีการทําด้วยนะ แล้วการทำเนี่ยเป็นสำคัญเป น, นการขอแบบอริยะเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะก็คือขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินคือขอในสิ่งที่มันเป็นจุดหมายมันเป็นสิ่งสูงส่งสิ่งสูงส่งคือแล้วการทำ ที่สุดแห่งกองทุกหรือการพ้นทุก์หมดทุกคือนิพพานเนี่ยนี่คือจุดหมายสูงสุดการขอแบบชาวพุทธที่เป็นผู้ฉลาเนี่ยนะสิ่งที่ขอเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้ขอเงินขอทองไม่ได้ขอให้ร่ำรวยแต่ขอสิ่งที่ประเสริฐคือนิพพาน แด้เป็นการขอที่อทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติคือไม่ได้ขอแต่ปางแต่ปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายหรือว่าด้วยเดชบุญทั้งศึกป้องเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นเงื่อนไขว่าไม่ได้ขอยอย่างเดียวนะแต่จะลงมือทําด้วยแทนที่จะอ่ะ ไปให้พระลดน้ำมนต์หรือว่าไปซื้อวัตถุมงคลเพื่อจะได้ร่ำาวรวยไม่ใช่พุทธศาสนานี่มันก็มีอยู่สองด้านนะด้านนึงก็เป็นด้านของการให้ความหวังและกำลังใจซึ่งอันนี้นี่คนไทยรู้จักดีนะแล้วคนไทยก็รู้จักด้านนี้ของพุทธศาสนาแทบจะลว้ลวนเลยก็ว่าได้ คือมาวัดเพื่อหวังการปลอบประโลมใจหรือปรารถนาจะได้รับความหวังเช่นหวังรวยนะก็มาวัดหวังจะหายป่วยก็มาวัดหรือบางทีลูกก็ป่วยพ่อก็ป่วยอะลูก ป, ป่วยพ่อป่วยก็ไม่รู้ทำยังไงก็มาวัดขอให้ พ่อห้ป่วยคอยลูกกลับมาเป็นปกติก็มาทำบุญนะมาให้พระผมน้ำมนต์มาสะระเคราะห์หรือซื้อวัตถุมงคล น, นีเนนะ่เป็นเป็นหน้าเทียนหนึ่งของพุทธศาสนา คือเป็นความคาดหวังของผู้คนก็คือการปลอบประลมใจและให้ความหวังเห็นได้ชัดตอนปีใหม่สิ้นปีก็มามาวัดกันมากขึ้นเพื่อจะได้เกิดกำลังใจได้มาทำบุญแล้วก็จะเกิดกำลังใจวาสริมงคลได้บังเกิดขึ้นกับเราแล้วหรือว่านิมนต์พระไปทำบุญบ้าง จะได้เกิดกำลังใจเกิดความรู้สึกมั่นคงสาหรับการเริ่มต้นใหม่พู่สศาสนาในในมิตินี้ น, ะนก็เป็นพืศาสนาที่คนคิดว่าจะโดนบันดาลให้ประสบความสุขความเจริญได้เมื่อคิดแบบนี้ก็เลยขอเลยเมื่อเรามันก็ บางทีก็ต้องการความหวังนะบางทีอะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยต้องการความหวังแม้กระทั่งเรามาปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นี่เราก็ต้องการความหวังอันนี้พุทธศาสนาก็มีให้นะท้ายบทธรรมวัตรชาวัดยียงก็จึงมี คำปฏิทายที่เราสวดกันอย่าขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทันที่สุดแห่งกองทุงทั้งสิ้นมีเถิดอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นการให้ความหวังกับคนที่แม้จะไม่ได้คิดว่าความมั่งมีสีสุดเป็นสารณะนะปรารถนาความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็ยังมีความหวังหรือต้องการอยากได้ความหวังบ้างพพุทธศาสนาก็ให้ แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พรองค์ก็จะบอกว่าเนี่ยให้ทำความเพียรเอาไว้ความเพียรเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงมนุษย์ลวงทุกมนุษย์ล่วงพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนะนี่เป็นพุทธภาษิตแล้วความเพียรนะเพียรอะไรก็ชัดอยู่แล้วอริมักมีองค์แปดหรือถ้าย่อสั้นๆนะวิธีการปฏิบัตินะเพื่อการพ้นทุกข์นะ ถ้ารูปทรมักมีวงแปวนนี่ยาวไปเนี่ยมันก็เหลือข้อเดียวนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลงปู่ขอธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตินะเพื่อการพ้นทุกนะเพื่อการลดโลกกดหลงไอ้คำถามนี้มันก็มันสะท้อนถึงคนสมัยใหม่นะ คนสมัยใหม่ต้องการอะไรที่มันสั้นๆเร็วๆเดีย๋ยวนี้จะมีคำถามเยอะทำนองนียว่าขอการปฏิบัติที่วิธีที่ทำให้สงบได้เร็ววิธทีทำให้พ้นทุกข์ได้เร็วนะเนี่ยนี่เป็นมันเป็นสะท้อนสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดของคนสมัยนี้คนสมัยก่อนไม่ไม่ถามแบบนี้ เราก็ถามไปนหลวงปู่หลวงปู่ดูนะหลวงปู่ท่านก็สนองนะท่านตอบสั้นๆเลยคยําเดียวสติเสียงดังฟังชัดต่อไปแล้วนี่คนฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จริงอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็สอนนะย้าด้วยคือคนเราเนี่ยจะชีวิตจะปลอดภัยอย่างแท้จริงเนี่ยนะชีวิตนี่ก็รวมถึงทั้งกายและใจี่จะปลอดภัยอย่างแท้จริงก็ สติปัฏฐานเลยนะพระองค์เคยเปรียบว่าเป็นสติปัฏฐานเม็ถินของพ่อที่พระองค์เปรียบนี่กเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือพระองค์ได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้พระฟังมีนกตัวหนึ่งชื่อเป็นเป็นนกเรือนนกบูญไถยนกบูญไถ่ น, นถี่มันชอบอาจเจียนอยู่ตามตามทุ่งนานะ โดยพ่อบริเวณที่มันมีรอยไถแต่ว่าวันหนึ่งมันพลาดนะมันถูกจับถูกเดียวเนี่ยจับแล้วขณะที่มันถูกพาไปอยู่ขึ้นอยู่บนอยู่กลางท้องฟ้าเนี่ยต้องมุนไถมันก็พูดไม่รู้ว่าตัดเพาะหรือว่า พูดเพื่อให้เยียวได้ยินนะบอเราไม่น่าเลยนะที่ออกไปหากินนอกถิ่นของพ่อถ้าเรายังหากินอยู่ในถิ่นของพ่อนี่ไม่มีเท้านะที่เยียวจะจับเราได้เนี่ยนจว่าเราพลาดไปโดยแท้เลยเยียวม์ไม่ได้ยินก็เลยถามว่า ถิ้งของพ่อเนี่ยอยู่ตรงไหนนกมูลแทนว่าถิ้งของพ่อก็อยู่ตรงนี่แหละในในทุ่งนานี่แหละเหยื่อทางนี้พ่อเดียวรู้สึกว่าถูกศพประมาทนะเน่ะเหยื่อนี้มั่นใจในความเก่งของตัวว่าไม่ว่านกมูลแทนมาไปหากินที่ไหนมันก็ไม่มีทางพ้นมือฉันได้หรอกเหยื่ยอต้องการพิสูจน์ว่ามันแน่แม่จะอยู่ในถิ้งของพ่อแกก็ไม่หลอดฉันหรอก อันนี้เป็นเรื่องอัตตาเลยนะ เ, เรื่องมนันนะก็ไม่รู้ว่าน้องมูลไถ่นี่พูดเป็นอุบายหรือเปล่าเพรรู้นิสัยของเยี่ยวนะว่ามันมันต้องการแสดงความสามารถมันต้องการโชว์ออฟว่ามันเก่งอันนี้ก็เป็นวิสัยของคนที่เอ่อเรียนสูงมีเงิ น, นมีอำนาจแล้เท่วคนก็เป็นงั้นแหละคือท้าทายไม่ได้นะ เมื่อทอาทายก็ต้องแสดงความสามารถให้เห็นเรากูเก่งกูแน่ไอเยี่ยมก็เลยต้องการไิสูจว่ากูเก่งนะก็เลยเอาโนมะุนภูไถยมาปล่อยลงตรงทุ่งนาเสร็จแล้วก็บินขึ้นฟ้าเพื่อที่จะโฉบตามนิสัยของมันโกมุนสายเนี่ยพอถึงพออยู่บนทุ่งนามก็เลือกไปที่ลอยไทยนะ แต่ที่ลอยไถ่นี่ยหลวก็ตะโกนบอกเหยี่ยวเลยออกมาเลยมาเลยมาเลยท้าเยื่ยนี่มันเจอนกมูนไถ่ทานนีน่รู้สึกหมายมั่นปั้นมือจะเอาให้จะต้องเล่งงา น, นให้ได้โกรธทมพุ่งลงมาอย่างแรงดิ่งลงมาเลยจะสอนจะสั่งสอนในนกมูนไถยหน่อยแล้วไปสวดความเก่งของตัว นกอุนถ่ายกัาเ น, นะพอเหยื่อมันใกล้ๆมาถึงพืช น, นี่มันก็รีบหลบเข้าไปในในในรอยไถรอยไถ ท, ที่มันหนาๆนี่ น, นนะไอเหยื่อเนี่ยมันมันหลบไม่ทันนะมันก็เลยพุ่งกระแทกพื้นตายครูจ่าาเรืองนีเสัยก็บอกว่าเนี่ยนะพี่สูุทั้งหลายเนี่ยจะ คนจากมือมารมืออามารไม่แม้ จ, จะทําร้ายได้นะถ้าหากว่ารู้จักอยู่ในถิ่นของพ่อไม่ไปหากินนอกถิ่นไม่ไปออกไม่ไปอยู่นอกถิ่นแต่อยู่ในถิ่นของพ่อถิ่นของพ่อคืออะไรก็คือสติปัฏฐานสี่นี่แหละสติปัฏฐานสี่หมายควาว่าเนี่ยเราจะปลอดภัยนะมารไม่สามารถทํามันตรายได้ถ้ า, าว่า เรามีสติรับษาใจดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะอยู่เป็นประจำเมื่อ น, นั้นจะปลอดภัยมา น, นี่ไม่สามารถจะมารังควานรบ ก, กวนได้ก็คือไม่สามารถจะทำให้เป็นทุกข์ได้มันไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะไปอย่าง น, นี้ส่งมัลงทุกข์ ก, กายด้วยก็ไม่สามารถจะบังเกิดขึ้นได้ คือถ้าเราอย่างแค่เราเดินอย่างมีสติข้ามรถข้ามถนนเยี่มีสติเนี่ยนะมันก็โดนรถชนได้ยากถ้าเราเดินลงบันไดมีสติในการที่จะสะดุดเท้าสะดุดขาตกลงมาหัวกระแทกพื้นตายหรืออมัมพาตก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติ เดินดีๆไม่ไม่สะดุดพื้นนะมันก็ไม่เจ็บก็ดูไม่แตกไม่หักเราเสียบนะปลั๊กเนี่ยเสียบอย่างมีสติน ะ, ะมันก็ไม่ช็อตมือที่เปียกที่ชื้นก็ก็เช็ดมันซะก่อนแล้วค่อยจับปลั๊กเสียบ ก็ปลอดภัยอันนี้เราเป็นประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางกายภาพแต่ว่าประโยชน์ที่สำคัญนะก็คือประโยชน์ในทางจิตใจถ้ามีสติรับ ส, สาใจสติสาสใจเนี่ยความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยรวมไปถึงว่าหมั่นดูดูกายดูเวทนาดูจิตนะแล้วก็เห็นธรรมความหมายเรียด ก, ก้นนั้น เพียงแค่มีสติน ะ, ะความหมายจะไม่ชัดนะคนอาจจะเข้าใจว่าก็ทำอะไรก็มีสติรู้ตัวแต่ว่าสติปัฏฐานนี่ความหมายมันละเอียดไปกนะ็คือดูกายดูใจดูเวทนาดูธรรมด้วยซึ่งเราทำได้นะตลอดเวลาในชีวิตประจำวันนะทำอะไรก็ตามก็ดูกายไปหรือรู้กาย ดูกายนี้ไม่ได้ปไปเจ้องมันนะเดินก็ไม่ใช่ไปจ้องที่เท้านะก็ให้รู้นะรู้สึกตัวเมือเขาสึกตัวเมื่อไหร่มันก็จะรู้มันก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเราทําอะไรด้วยความรู้รู้ตัวเนี่ยหากว่าทําด้วยกายเช่นเดินอาบน้ําถูฟันซักผ้าล้างจานเนี่ย ก็จะรู้รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวมารู้สึกเองนะเมื่อใจอยู่กันนึกกับตัวหรือเมื่อมีส ต, ติเวลาความถนข้างขยังมีมีสติเนี่ยก็จะรู้กายเคลื่อนไหวไปด้วยแต่ระหว่างที่ทำอยู่นั้นเนี่ยระหว่างที่เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกไปอะไปโนะไปนี่ก็รู้อันนี้ก็เรียกรู้ใจเห็นใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยนะมีหลายคนก็บอกว่าเนี่ย <c oughs> เขาฝึกดูกายดูกายอยู่เป็นประจำ <c oughs> เขาพวกนี้เพราะว่าเขาถามว่าเนี่ยถ้าถ้าเกิดจะตายวรอเมื่ อ, าอตา ย, ยจะไปดูที่ไหนจะดูกายอย่างไรธรรมาก็บอกเพราะว่าเนี่ยตอนจะตายที่บางทีมันมันไม่รับรู้กายเลยนะลมหายใจก็จับไม่ได้ ท้องพองยุกก็จับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงยกมือเคลื่อนไหวเม่ต้องพูดถึงยกมือสร้างจังหวะมันทําไม่ได้เพราะนั่นเนี่ยถ้ามาดูกายมันจะดูไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีความรู้สึกทางกายให้รับรู้แล้วเขาก็ถามว่าทาไงก็เราว่าก็ดูจิตเนไงเขาถามว่าดูจิตตัวยังไง อันนี้ก็พออธิบายไปเขาก็ยังงงๆนะที่จึงมันไม่น่างงเพราะถ้าดูกายดูกายก็ดูใจมันไปด้วยกันอยู่แล้วคือระหว่างที่กายเคลื่อนไหวก็ใจไม่คิดอะไรก็รับรู้กายไปแต่พอใจมันคิดใจมันผ่าจากกายใจมันไปอดีตไปอนาคตที่พึ่งปรุงแต่งก็มีสติรู้ทัน แล้วสติก็จะดึงจิต ก, กลับมาที่กายกลับมารู้เนื้รู้ตัวหรือรู้สึกตัวมามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าดูกายถ้าดูกายมันก็ต้องมันก็ต้องดูใจไป ต, ต้องดูใจไปด้วยหรือควบคู่ไปด้วยมันถึงจะดูกายได้เป็นเพราะถ้าใจมันผ่าจับ ก, กายนะแล้วเราไม่มี เราไม่รู้จัก ว, วิธีที่จะดึงมันกลับมาเนี่ยมันจะดูกายได้ต่อเนื่องได้อย่างไรมันต้องมีวิธีหรือว่าปัจจัยจที่จะช่วยดึงจิตที่ฟุ้งและเห็นเร่่อนเน่ยกลับมาในสิ่งที่ดึงจิตกลับมาคือสตินั่นแหละแล้วสติก็ช่วยทําให้เราเห็นใจคิดนึกเพือนะสติทําหน้าที่ตานในตานในคือตอนที่ กายเคลื่อนไหวแม้หลับตาก็รู้ว่ากายมันเคลื่อนเวลาเราหลับตาเนะี่ยเราลองเอามือไปจิ้มที่จมูกเนี่ยเราจิ้มถูกไหมทุกคนจิ้มถูกทั้งนั้นแหละถ้ามีสติทั้งที่เราไม่เห็นนะเราปิดตาเนี่ยเอามือไปจิ้มที่ทปลายจมูกเนี่ยจิ้มถูกทุกคนเนะี่ยเอามือไปจิ้มที่ที่หูแล้วก็จิ้มถูกทั้งที่ปิดตาทําได้ยังไงนะทําได้ถ้าเรามีสติ เพราะสติคือตาในมันบอกให้เรารู้ว่าจมูกอยู่ตรงไหนหูอยู่ตรงไหนคิ้วอยู่ตรงไหนแม้หลับตาเราก็จิมถูกทงนั้นแหละแต่ทําไม่แต่ถ้าไม่มีสติก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เรื่องตาสติเนี่ยเป็นตาในทําให้เห็นกายแล้วก็ทําให้รู้ใจท่าคนที่บอกว่าเออดูกายดูกายเจริญปฏิบัติดูกายดูกาย แต่พอทําให้ดูจิตทํทำยังไงทําให้เป็นแสดงว่าเขาคงจะทําไม่ถูกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าจะดูกายได้เป็นมันก็ต้องรู้ใจด้วยเพราะไน่งั้นเนี่ยไม่สามารถจะเอาใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมารู้กายได้ที่จริงสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะมันกายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งท่ต้องทําไปด้วยกันหมดเี่นะบางคนไปเข้าใจว่า แล้วแต่ความถนัดเช่นมีการอธิบายว่ากายานุปัสสนากับเวทนาปั ส, สนานี่เหมาะกับสมถญาณิกก็คือผู้ที่ชอบสงบแล้วก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากหรือผู้ที่มีกำลังจิตที่ตั้งมั่นได้ดีคือมีสมาธิได้ไวพวกนี้เนี่ยมาดูกาย จะดูได้ดีกว่าก็คือเพราะว่าการที่จะเห็นาธาตุเห็นกายมันประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยนะมันต้องใช้จิตที่เป็นสมาธิมากคนที่มีสมาธิมากเนี่ยมันจึงจะเห็นว่ากายเนี่ยประกอบไปได้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเพราะธาตุเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันไม่ใช่แค่คิดเอาคนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยหรือชอบคิดเนี่ยนะดูกายยาก ผู้ที่สมาธิดีเนี่ยจสมถะญาณ น, นี้เหมา อ, อการดูกายกับดูเวทนาแต่ผู้ที่ชอบคิดเนี่ยนะซึ่งก็มักจะหมายถึงคนในเมืองนี่แหละนะหรือว่าวิปัสสนาญาณนี้ก็ให้มาดูใจเพราะอะไรเพราะว่ามันดูกายลำบากธาตุสี่มันดูยากนะแต่ว่าในการที่จะรู้ว่าจิตมีโรคมีราคะมีโทสะ มีความโกรธมีความเศร้าเนี่ยนี่มันดูง่ายกว่าปัญญาเนี่ยก็คือว่าคนที่ชอบคิดเนี่ยมันจิตมันขึ้นลงอุ่นวายมากก็ถือว่าเป็นต้นทุนถือว่าเป็นวัตถุดิบ ก, การที่จิตมันชอบคิดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นวัตถุดิบให้ให้มาดูเพื่อจะเห็นหรือเกิดปัญญาความฟุ้งซ่านเนี่ย การที่คิดมากๆนี่มันไม่ใช่เป็นโทษนะอย่างเดียวมมีประโยชน์ด้วยมันเป็นวัตถุดเดีบสำหรับการดูเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องใจรักเข้าใจเรื่องรูปนมามพระพุทธศาสนาให้ฉลาดนะเอาทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดแม้กระทั่งราโรราโ ร, รพระราคทโทสัพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นวัตถุ ด, ดีบสอนทำได้ ถ้ามองเป็นค น, นพวกวิปัสสนาญาณ น, นี่ก็ผู้ที่ชอบคิดก็ให้มาดูจิตแล้วก็ดูธรรมเหตุธรรมอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะสำหรับคนที่คนที่อยากจะปฏิบัติเราก็ต้องมารู้ว่าตัวเนี่ยถนัดทางไหนหรือว่าเจริดไปในทางไหนแต่ว่ามันก็อาจทำให้เข้าใจผิดว่า แต่และคนแต่และคนก็ดูเฉพาะอย่างเดียวเช่นถ้าเป็นพวกที่ชอบเป็นพวกที่ทำสมาธิได้ดีก็ไปดูกายอย่างเดียวหรือดูเวิทยาอย่างเดียวดูแค่สองอย่างอย่างมากไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูหรือเห็นธรรมคนทีคิดมากก็ก็ดูจิตอย่างเดียวนะส่วนดูกายไม่ต้องทําก็อย่ไม่ต้องดูเวทนาก็รา้ไม่ใช่ทุกคนนั่นแหละถ้าเราลงมืปฏิบัติโดยใช้สี่ประธานสี่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกชอบคิดมากคิดน้อย สมาธิดีสมาธิไม่ค่อยดีก็ต้องทำหมดแหละอย่างน้อยก็ทำสามอย่างก่อนดูเวทนาดูดูกายดูเวทนาดูจิตถึงที่สุดแล้วจะบรรลุธทรได้นี่มันต้องผ่านขั้นที่สี่นะธรรมานุ ป, ปัสสนาคือเห็นนะนะเห็นหรือเข้าใจเรื่องนิโรธอเมช่นิโรธนิวรณห้าขันห้า อริยสัต 4, ์สี่อริยตนสิบสองพุทชงเจ็ดทุกคนน่นะถ้าจะบรรลุ ธ, ธรรมแม้กระทั่งขั้นโสดาบันก็ต้องมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะวิปาานนัสสนาญาณิกเท่านั้นคนที่เป็นสมาธิญนณิกหรื อ, อสมาธิดีเนี่ยถ้าต้องการบรรลุ ธ, ธรรมก็ต้องมาเห็นนะ มาเห็นเรื่องว่าขันท่าเห็นความจริงเรื่องขันท่าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่พานยาโคนทัญญาเนี่ยนันบรรลุธรรมพระโสดาบันก็ตอนที่พระเจ้าจัดสอนเรื่องเรื่องนี้ละขันท่าแล้วก็บรรลุธรรมในพระอรหันต์ก็ตอนที่ได้เห็นว่าขันท่ามันเป็นอนัตตายศกุลระบบก็เหมือนกันทุกคนนะจะเป็นพระโสดาบันหรืออรหันต์ได้ก็ต้องผ่านหรือมาถึงข้อที่สี่ มันไมใช่ว่ามันจะเหมาะกับวิปัสสนาญาณนิท่า น, นั้นถ้าต้องการบรรลุ ธ, ธรรมต้องเข้าใจสมัยว่าเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยซึ่งพระเจ้าจตรัสเป็นถิ่งของพ่อเนี่ย น, นัก็คือการหมั่นดูกายดูเวทนาดูจิตหรือมองสิ่งต่างเป็นธรรมมองเข้าใจเหตุปัจจัยอะไรทําให้นิวรธเกิดขึ้นอะไรทําให้นิวรธาดับไปเห็นว่าขันธานี้มัน มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มีมันไม่มีเราทั้งนั้นทั้งตัวก็ว ม, มีแต่ขันธ์หน้าไม่มีเราไม่มีกูที่อยู่ซอนอยู่ในขันธ์หน้าหรือว่าอยู่เหนือขันธ์หน้ามีเท่านี้แหละนะสองคือรูปควบนามกายกัจจัยหรือแยกเป็นหน้าเกิึ่นเกิดขึ้นได้จากการที่มีสติดูบ่อยๆดูบ่อยๆ ด, ยยดูกายดู เวทนาดูจิตเนี่ยเด็กมันก็จะเห็นขันนี่ทั้งห้านี่แยกออกมาคือแทนที่เป็นก้อนนี่มันแยกออกมาเป็นห้าแต่ก่อนเห็นรวมรวมเป็นเป็นก้อนคือกูเห็นรวมรวมเห็นอย่างเดียวคือกูกูกูตลอดแต่อย่างที่บอกนะสติมันเหมือนกับเครื่องสเลนะมันมันเห็นทะลุทะลวงเข้าไปจนเห็นอ๋อที่แท้มันก็มันที่แท้จริงๆคือขันห้าไม่มีกลูทั้งหน่อย มันทะลวงทะลุไปเลยทะลุไอความสําคัญปรมาณตัวกลัไปเห็นของจริงแลว้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นตรนี้ได้มก็เรียกว่าปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะที่เราบอกเนี่ยขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุนซี น, นิเทินให้เข้าการปฏิบัติเนี่ยตัวตัวที่เป็นแก่น น, นะก็คือสติปัฏฐาน เป็นแกนนหมายเพราะว่ามีอื่นตัวเกิดประกอบด้วยนะอย่างเช่นในมรรคแปดย่อมมีองค์แปก็มีอสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่พวกนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นตัวแวดล้อมกันนะแต่ที่จริงในในคําสอนวิจารณ์เนี่ยแกนมีสามตัวนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาวายามะและสัมมาสติสามตัวนี้ยืนพื้นเลยที่เหลือนี่เป็น เป็นตัวเสริมแต่ว่าถ้าภวสาม่เยอะไปจะถามว่าจะเอาอะไรเป็นเอาแค่ตัวเดียวก็สัมมาสตินี่แหละหรือสติปัฏฐานขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถนะิดพรหมจรรย์นเนี่ยในตัวแกงคือสติปัฏฐานเพราะถ้ามีสติแล้วก็ใช้สติแบบสติปัฏฐานนะไม่สติธรรมดาเนี่ยมันก็ทําให้ รักษาศีลได้สามมาวาจาก็จะเป็นสัมมาวาจาความดําหนีก็จะเป็นความดําหนีชอบแล้วก็จะเป็นปัจจัยเอื้อไปสู่สมาธิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการขอขอในสิ่งที่สูญส่งไม่ไม่ขอตําๆนะอย่างที่หลวงปู่ดูแนะนําแล้วเนี่ยก็ให้การขอมันคบคตรกับการปฏิ การปฏิบัติและที่การเรีนที่สําคัญคือะสะตินะจับหลักนี้ให้ได้แล้วเมื่อมีสติแล้วเนี่ยความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็ตามมาคือพอมีความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็ทําเำให้มีสติมากขึ้น <c oughs> นั่นที่คนโบราณเขาปล่อยพรลูกหลานว่าให้มีความให้รู้สึกให้รู้เนื้อรู้ตัว น, นั้นนี่มันก็เป็นพอรอื้อเฟือเป็นพรประเสริฐมาฉันอยู่เพิ่มกว่านี้นะ